รบัญญติ825ก็ภิกษุณีใดเทหรือใช้ให้เทวจระหรือปัสสาวะอยากเยื่อหรือของเป็นเดนภายนอกฝาหรือภายนอกกำแพงต้องอบัติาจิตตีเรื่องพรามคนหนึ่งจบ